เขามีข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าพระราชาเมืองใดที่เป็นชาวพุทธสมบูรณ์แบบเต็มเตี่ยมเต็ ม, ต ม, ตมร้อยถัดจากนั้ น, นามเมืองนั้นไม่เหลือนะเช่นยกตัวอย่างว่าเมืองสาวัตถีเนี่ยนะหลังจากพระองค์ปริณิพานไปแล้วพระเจ้าประสเสนที่โกศลสิ้นอำนาจไปแล้วหมดเลยนะนะหลังจากนั้นเนี่ยแทบไม่เหลือชื่อเหลือแท่เหลืออะไรเลยนะเมืองสาวัตถีเนี่ยนะหมดยุคพระเจ้าประสเสนที่โกศลแล้วเนี่ยพระเจ้าอะไรนะ ลูกชายอะพระเจ้าอะไรที่ที่ไปฆ่าสกย ะ, ะวิทูตพระแล้วก็ปกครองอยู่แป๊บเดียวตัวเองก็ตายแล้ะแล้วอำนาจถัดจากนั้นก็งอนเงนง้องเงีนเต็มทีในที่สุดก็ไม่นานล่มสลายอาณาจักรของแคว้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยพอพระเจ้าอาชาติศัตรูสิสิ้นอำนาจลูกตุกลูกก็เพ่อตระกูลฆ่าพ่อ เพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าพิมพิสารลูกพระเจ้าชาติศัตรูฆ่าพระเจ้าชาติศัตรูเลนก็ฆ่าล้านวันนี้เนี่ยนะเลนก็ฆ่าลูกลูกก็ฆ่าฆ่ากันตอนหลังเขก็ปลดวงนี้ทิ้งทั้งหมดแล้วก็แต่งตั้งวงใหม่ขึ้นมาเนี่ยนะมันมันเป็นเรื่องที่แปลกว่าโดยมากแล้วเนี่ยนะแม้กระทั่งสมัยของพระเจ้ามิลินเนี่ยนะหมดสมัยพระเจ้ามิลินไปแล้วเมืองพุทธก็ถือว่าหมดเหมือนกันเนี่ยนะก็แปลกว่าถ้าหากว่าเอ่อคือคือมันมันมันเป็นโทษของยุคสมัยไม่ใช่โทษของการปกครอง เป็นสมัยที่หมู่สัตว์ทั้งหลายโดยมากอยู่ด้วยอากุศลกรรมรบทสิบเพราะฉะนั้นวัตถุ ก, การมทั้งหลายก็เหมือนกับเป็นชิ้นเนื้อก็จะมีการแข่งแย่งการมีการแข่งดีกันเนี่ยนะมันคนที่มีศีลมีธรรมเนี่ยก็จะไม่สนใจหนักไปในทางแข่งแย่งและเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างก็จะไม่ฆ่าคนที่สำนวนแบบชาวโลกเขาใช้คําว่าคนที่ควรฆ่าท่านจะไม่ฆ่าเพราะท่านไม่เอาตัวไปเปื้อนบาปกับ บุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะท่านก็ไม่เสี่ยงที่จะเอาตัวไปตกนรกแม้เพื่อเอาให้คนอื่นตายเป็นต้นท่านก็ไม่ยอมทำเพราะฉะนั้นบาลังของเมืองใดที่ที่เป็นอย่างนี้ก็โดยมากก็ไม่นานเนนะเว้นไว้แต่พระราชาพราะองค์นั้นศรัทธานในพระศาสนาศรัทธาจริงแต่ว่าปกครองตามอัตโนมัติถ้าอย่างนี้บ้านเมืองค่อนข้างอยู่ยาวเพราะมีการเขาเรียกว่าอะไรขจัดเสี้ยนหนามของแผ่นดินเนี่ยนะถ้าพระราชาที่อยู่โดยธรรมโดยมากมันจะมองทุกคนดีหมด น, นะจะมองทุกคนดีหมดใช่ไหมเมื่อมองทุกคนดีหมดอะไรควรคัดควรอะไรก็ไม่ค่อยทำละเออแล้วแล้วกันไปแล้วแล้วกันไปอนนะนนั้นใ้ ๆ, ๆแบบนี้นะย้อนกลับมาหลังจากที่สร้างอะไรนะที่บรรจุพระาธาตุทั้งหมดบริบูรณ์ไวในในชั้นข้างล่างอย่างนั้นเสร็จแล้วเนี่ยนะ ท, ท้าวสกเทวราชก็เรียกวิสุกรรมเทพบุตร มาส่งไปด้วยพระดำรัสว่าพ่อเอ๋ยพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเก็บพระบรมธาตุแล้วเจ้าจงตั้งกองรักษาการนั้นเอาไว้ที่นั้นวิสุกรรมเทพระบุตรต่อมาก็ประกอบหุ่นยนต์ที่มีโครงร่างร้ายด้วยรูปไม้หุ่นยนต์ถือพระขันสีแก้วผลึกในห้องบรมธาตุเคลื่อนตัวได้เร็วเสมอลมพัดก็เหมือนว่ามีเครื่องจักรกลทางานอยู่ในนั้นตลอดเลยนะ วิสุกรรมเทพระบุตรประกอบหุ่นยนต์แล้วก็ติดลิ่มสลักไว้เป็นอันเดียวเท่านั้นเอาศิลาล้อมไว้โดยรอบโดยอาการเสมือนเรือนสร้างด้วยอิฐข้างบนก็ปิดด้วยศิลาแผ่นเดียวแล้วก็ใช้ฝุ่นทำพื้นนั้นให้เรียบประดิษฐ์แล้วก็ประดิษฐ า, านสถูปหินเอาไว้บนที่นั้นก็มีแรกว่าเจดีหินมากอกองไว้ดูข้างนอกไม่มีอะไรเมื่อมีการเก็บพระบรมธาตุสิ้นอย่างนี้แล้วพระหมหากัสปะก็อยู่จน ตลอดอายุก็ปรินิพานพระเจ้าชาติศัตรูก็ไปตามกรรมกรรมไหนกรรมปิตุค่าแต่กรรมพาไปก่อนเนี่ยนะหมดปีตุค่าแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะท่านก็ทําบุญเยอะนะแต่ถ้าเทียบว่าพระเจ้าชาติศัตรูกับคนอื่นเนี่ยนะพระเจ้าชาติศัตรูไม่น่าสงสารหรอกเพราะท่านตกนรกแค่หก 0,000 ืนปีเองเนี่ยนะถ้าเทียบกับกรรมที่ฆ่าพ่อคือคดีนี้ท่านบอกว่าอ่าเขาถือว่าเป็นอะไรนะอ๋อไปฆ่าคนตายมาบอกแกไปตักน้ำมา มาถังหนึ่งแล้วก็หมดสิจบกันเลยนะแค่นี้มันถือว่าแหมมันเรียกว่าอาภัยสุดๆด้วยั้นนะแทนที่จะตกอเวจีไปแค่โลหะกุมพีถูกก็เรียกว่าเหมือนกับว่าถูกต้มน้ําร้อนนี่สูบลงไปสามหมื่นปีแล้วก็โผล่ อ, อีกสามหมื่นปีก็พ้นละตอนหลังก็จะได้เต้นพระปฏิเจกกับพุทธเจ้าแต่ว่าตรงนี้ท่านไม่บอกว่าโหทำบุญขนาดนี้ยังตกนรกอไม่ได้ตกเพราะทำบุญนะนะตกเพรานะทำบาปมันคนละกรณีกันเนี่ยนะจะเอาบุญไปปนบาปเอาบาปไปปนบุญไม่ได้คนละคนละอย่างกันน่ยนะ เพร้นเสร็จแล้วในยุคมนุษย์ยุคนั้นก็ตายหายกันไปหมดทีนี้ต่อมาภายหลังประมาณสอง้อกว่าปีเมื่ออโศกราชกุมารถลิงราชสมบัติเป็นพระธรรมราชานามว่าอาโศกพระองค์ก็ได้รับเอาพระบรมธาตุเหล่านั้นเอาไว้แล้วก็สร้างชัสนสุทุมทำให้แพร่หลายทีนี้วิธีการกระจายพระธาตุให้แพร่หลายของพระเจ้าอาโศกทาอย่างไร ก็บอกว่าพระเจ้าอโศกนั้นท่านอาศัยนิโ ค, ครสัมมนีคือนิโครสัมมณีน เ, น เ, น เ, นเนี่ยทำให้พระองค์เลื่อมใสในพระาศาสนาพระองค์ก็โปรดให้สร้างวิหารแปดหมื่นสี่พันวิหารแล้วก็ตรัสถามภิกษุ ส, สงฆ์ว่าโยมให้สร้างวิหารทั้งแปดหมืสี่พันวิหารแล้วแล้วยมจะเอาพระบรมาธาตุมาจากไหนเจ้าข้าคือท่านสร้างสร้างวัดด้วยสร้างเจดีย์ด้วยไว้เนี่ยทั่วโลกเนี่ยแปดหมื่นสี่พันแห่งเนี่ยและจะเอาพระาธาตุที่ไหนไปบรรจุตามที่ต่างๆ ภิกษุสงฆ์ก็ถูกกราบทูลว่าขอถวายพระพรผู้อาตมาภาพฟังมาว่าชื่อว่าที่เก็บพระบรมาธาตุมีอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าที่ไหนพระทหารหลายองค์ท่านก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะนะพระราชาก็ให้รื้อพระเจดีย์ในกรุงราชครื่ทั้งหมดทุกเจดีย์ก็ไม่พบแล้วก็ให้ทําพระเจดีย์คืนดั่งเดิมพาบริสัทธ์สี่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไปยังเมืองเวสาลีก็ไม่พบไปเมืองกบิลพัฒกก็ไม่พบไปยังรา ม, มาคาม นาคก็มายอมให้รื้ออีกไม่ยอมให้รื้อดูนาคไม่ยอมนะเพราะอะไรเพราะจอบที่ตกลงไปเจดีก็เขื่อนก็ขุดตรงไหนจอบหักหมดนี่ไงนะด้วยอาการนี้ไปที่เมืองอั ล, ละกับปะเวททีปะกะปาวากุศินาราไปทุกแห่งก็ไม่ได้พระบรมธาตุก็เลยกลับมาเมืองราชเจ้าครึกอีกจริงๆพระเจ้าอโศกเนี่ยเสด็จไปทั่วนะเพราะว่าอะไรดูจากศิลาจารึกเสาพระเจ้าอโศกอย่างที่ที่เราไปไหว้พระกันเนี่ยนะ ไปไหว้พระกันที่ประเทศอินเดียเนี่ยจริงๆแล้วไปตามจดหมายเหตุของพระถังสำมชังทีนี้แล้วเชื่อจริงว่าสถานที่ตรงนั้นเป็นที่จริงก็เนื่องจากว่าเสาศิลาจารึกของพระเจ้าอาโศกแต่เดินติดตามไปตามอะไรนะตำแหน่งตามที่พระถังสำมชังจารึกเอาไว้นะก็เลยด้วยได้คติหลายอย่างเพราะว่าอะไรเพราะผู้ศาสนาเนี่ยพอประมาณพ700ร้อเนี่ยแทบไม่เหลือจากอินเดียเพิ่งไปบูรณะ ฟ, ฟื้นฟูกันร้อยกว่าปีนี่เองนีซึ่งซึ่งไม่นานอะไรเนี่ยนะ เพราะนั้นช่วงระหว่างนั้นเนี่ยก็อาศัยจดหมายเหตุบ้างอาศัยอะไรบ้างอาศัยศิลาจารึกอาศัยอลไรออย่างก็เลยมีการคนได้อาศัยนักประวัติศาสตร์ชาวอังกฤษเนี่ยนะมันก็แสดงว่าพระเจ้าโศกนั้นจารึกไปทุกแห่งในในในในชมพูทวีป น, นะแล้วก็โดยเฉพาะไปตามหาพระาธาตุนี่อันหนึ่งแล้วก็ไปในมรสการสังเวชนียสถานแล้วก็มีเสาศิลาจารึกแล้วเขียนบทความว่า พระพุทธเจ้าเกิดตรงนี้ตรงนี้พระองค์ประกาศพระธรรมจักก็จะมีเสาศิลาจารึกแล้วเสาศิลาจารึกที่สมบูรณ์ที่สุดก็อยู่ที่ไหนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยนะเมืองพาราณสีเนี่ยนะที่เป็นศสตราประทับของประเทศอ่ะตราสิงหนะ์นะสัญลักษณ์ตราสิงห์ตอนหลังก็พอเที่ยวไปทั่วไปหมดก็ไม่ได้พระบรมธาตุกลับมาก็เลยให้ประชุมพุทธบริษัททั้งสี่ถามว่าใครเคยได้ยินที่เก็บพระธาตุ ในที่ชื่อโน้นบ้างไหมเสร็จแล้วก็ประชุมพระเถระมีองค์หนึ่งมีอายุร้อยี่ปีกล่าวว่าอาตมาภาพไม่รู้ว่าที่เก็บพระาธาตุเนี่ยอยู่ที่โน้นไม่รู้หรอกว่าเก็บที่ไหนแต่พระมหาเถระบิดาอาตมาภาพหมายาบิดาหมายาว่าคนที่ให้บวชะนะบิดาคือคือหมายาว่าผู้ที่ให้บวชอุปชฌานาาเนี่ยให้อาตมาภาพใครว่าให้อาตมาภาพตอนอายุเจ็ดขวบถือหีบมาลายัยถือถือพวงมาลัยเนี่ย แล้วก็กล่าวบอกมาหนี่สัมมเนนระหว่างระหว่างกอไม้ตรงโน้นมีสตูปหินอยู่เราไปกันที่นั้นเถิดแล้วไปเพื่อบูชาไปบูชาตรงสตูปหินท่านก็พูดสัมมเนนนะท่านพูดว่าสัมมเนนควรพิจารณาที่ตรงนี้ซึ่งพระเทระรูปนั้นเนี่ยสั่งไว้จําตรงนี้เอาไว้ให้ดีพิจารณาแล้วว่ากําหนดจดจําอย่าให้เคลื่อนนะอย่าให้ลืมนะตรงนี้นะสำคัญนะและ้วเอาดอกไม้บูชา ขอถวายพระพรอาตามาภาพรู้เท่านี้แหละรู้ว่าตรงนั้นอ่ะสำคัญแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรพระราชาก็บอกที่นั่นแหละเสร็จแล้วก็ตัดให้สั่งตัดกอ่อไม้นําสถูปหินปัดฝุ่นแล้วก็เห็นพื้นโบกปูนอยู่จากนั้นก็ทําลายพื้นโบกปูนทําลายแผ่นอิฐแล้วก็เข้าไปสู่บริเวณตามลําดับทว่าพระเนตรเห็นสายรัตนเจ็ดประการรูปไม้หุ่นยนต์ถือดาบเดินวนเวียนอยู่เท้าเถอก็รับสั่ง น, นะว่าคนที่ถือผีมา ไอ้ใครที่รู้เวทมนต์คาถามาสิเนไะมาก็มาเส้นมาสวงเข้าก็ไม่เห็นนะที่สุดมันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แม้ผีอันนี้ไม่ไม่หยุดเลยนะก็เครื่องยนต์นะ่ะมันจะไปไล่มนยังไงให้หยุดอนะคนละอย่างกันนะเนี่ยนะเศรษฐาเป่าก็แล้วเนะี่ยนะโยนก็ไม่หมดก็เลยทำไงดีวิเหลือ ว, วิธีสุดท้ายก็บวงสวงเทวดาอะไรกันี้ นมัสการนอบน้อมเทวดาก็เรียกบวงสรวงนะว่าข้าพเจ้ารับเอาพระบรมธาตุแล้วนี้แล้วบรรจุไว้ในพระวิหารแปดหมื่นสี่พันวิหารจักรธรรมสักการะบูชาเนี่ยนะขอเทวดาอย่าทําอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลยเนี่ยนะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วเรียกหมอผีกว่าแล้วคนเข้าไปก็ตายอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยบวงสรวงเทวดาไง ท้าวสากกเทวราชเสด็จจาร็กไปเห็นพระเจ้าอาโศกนั้นแล้วก็เรียกวิสุกรรมเทพบุตรมาสั่งว่าพ่อเอ้ยที่จริงเนี่ยนะเวลาสองรอยกว่าปีเนี่ยมันเ็แค่สองวันของดาวพดึงเองไงแป๊บเดียวเองนะสองวันเองนะก็เรียกเพิ่งสั่งงานทําไปสองวันเดียวนี้ไปรื้อละอย่างนเงี้ยนะก็เขาไปสั่งให้ล็อกกุญแจไว้สองวั น, นอ่ะในพวกปืนนี้ไปไขแล้วกันอย่างงี้ยนะวิสุกรรมเทพบุตรนะได้รับคําสั่งว่าพระเจ้าธรมมราชาโศกหรือว่าพระเจ้า ทำมราชาอาโศกจากนําพระบรมาธาตุไปเพราะฉะนั้นเจ้าจงลงไปสู่บริเวณรูปไม้หุ่นยนต์เสียคือไปทําลายนั้นซะทําลายไอ้องคารักพิทักษ์นะนะที่เป็นหุ่นยนตซะวิสุกรรมเทพบุตรนั้นก็แปลงเพศเป็นเด็กชาวบ้านมีจุกมีผมนี่มีห้าจุกเลยแนละ้วยังไม่โกนจุกว่างั้นเหรอเสร็จแล้วก็ยืนถือธนูตรง พ, พ, พระพารระาชาบอกว่าเดี๋ยวข้าพงจะนําไปมหาราชพระราชาบอกเอะนําไป คือมันก็กล้ากับเพื่อนน่ยนะก็ดูท่าทางเท่าทางเออพาไปไหนก็แล้วกันวิสุกรรมเทพบุตรก็จับสอนยิงตรงที่ผูกหุ่นยนต์ที่เรียกว่ายิงไปยิงต้องยิงที่เชือกนะยิงไปที่เชือกก็ตัดเชือกซะก็เหมือนกับว่ารถเนี่ยนะถ้าว่าถ้าแบบไปตัดโซ่ตัดอะไรซะเหมือนจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยถ้าตัดโซ่ตัดเฟืองไปมันก็หมดแล้วใช่ไหมก็ตัดที่โซ่ตัดที่เฟืองตัดตัวที่มันตัวองค์ประกอบข้อต่อซะมันก็ทําลายหมดแล้ว พระราชาก็ถือตรากุญแจที่ติดอยู่ที่เชือกผูกทอดพระเนตรเห็นแท่งแก้วมณีแล้วก็เห็นจาริกคําบทความจารึกไว้ในแก้วว่าในอนาคตการพระเจ้าแผ่นดินที่ยากจนถือเอาแก้วมณีแท่งนี้ทำสักการะพระบรมธาตุทั้งหลายพระเจ้าโศกยั่วมากโกรธมากบอกไม่ควรดูหมิ่นพระราชาเช่นเราแม่พระเจ้าแผ่นดินยากจนอย่างเงี้ยนะแม่ดูหมิ่นก็ได้ยังไงโกรธมากเลยนะ เขาเอ่ยชื่อได้ถูกเลยใช่พระจารยกว่าพระราชาตกยากแม้มหาว่าเรายากจนเนี่ยนะจริงๆเขามีอำนาจมากเลยนะแต่จริงอ่ะตอนท้านนี้ก็จนจริงแหละเสร็จแล้วพระองค์ก็เคาะซ้ำๆกันเพื่อให้ประตูเปิดเข้าไปภายในเรือนประตีที่ตามไว้เมื่อ218ปีก็พร่งอยู่ประตีก็สว่างอยู่อย่างนั้นคือไอร้ระบบเกี่ยวกับเรื่องสร้างเมืองเป็นหุ่นยนต์เนี่ยนะในในเมืองใต้ดินเนี่ย บ า, บางเมื่อก่อนทีแรกเลยเขามาบอกว่ามันมันมันมันจะเป็นจริงหรือแต่ถ้าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเมืองจีนเนี่ยนะเรื่องเมืองจีนระดับล่างๆเลยอ่ะที่เก็บทรัพบโบราณอะไรจริงๆเนี่ยเป็นระบบเดียวกันเนี่ยที่เขาฝังพระราชา ท, ทรับนะของพระราชาเนี่ยถ้าใครศึกษาเรื่องแผ่นดินจีนเนี่ยจะเป็นระบบแบบนี้คล้ายๆกันเนี่ยบางยุคบางสมัยที่พระราชารวบรวมทองมามากเขาจะวิธีที่เก็บทองอ่ะนะที่คลังมหาสมบัติเขาเนี่ยก็จะใช้ระบบเนี่ย ระบบหุ่นยนต์ระบบอะไรที่มันซับซ้อนสูงมากเลยนะมันไม่ใช่ว่าจะเข้ากันไปได้ง่ายๆเนี่ยจะไปรักไปขโมยไปปล้นกันไม่ได้ง่ายๆโดยเฉพาะอะไรนะขอะโงโรงที่เขาฝังพระศพนะที่ฝังพระบรมศพแล้วตรงนั้นแล้วโหทรัพย์สินมหาศาลแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ากันไปได้ง่ายๆ น, ยนะเสร็จแล้วก็ประที่ก็สว่างไว้ประมาณสองร้ยสิบแปดปี ดอกบัวขาบก็เหมือนกับมาวางไว้ขนาดนั้นแหละดอกไม้ก็เหมือนกับมาวางเอาไว้ของหอมก็เหมือนพึ่งบทวางาไว้เมื่อครู่นี้เองก็แปลว่ามีของหอมพระราชาถือแผ่นทองอ่านว่าต่อไปในอนาค ต, ตการอันนี้เป็นข้อความของพระมหากษัตริยจารึกเอาไว้ว่าครั้งนั้นกุมารพระนามว่าอโศกจักเถลิงทวัลราชสมบัติเป็นพระธรรมราชานามว่าอโศกเท้าเธอจกธรรักกระทำพระบรมธาตุเหล่านี้ให้แพร่หลาย โอ้พอเห็นบทความนี้เข้าท่านก็บอกท่านผู้เจริญพระผู้เป็นเจ้ามหากะสะปะเห็นตัวเราแล้วทรงคูพระหัต้ายปรบมือดีใจมากเลยนะนี่แหมนึกว่าเราเนี่ยทำแบบพละการนะั่นไม่ใช่นะพระเทระรุ่นก่อนท่านเห็นเราแลนะ้วว่าเราจะมาทำอย่างนี้ดีใจมากะนะเท้าเธอเว้นเพียงพระบรมธาตุที่ปกปิดไว้ในที่นั้นเสร็จแล้วก็นําพระบรมธาตุทั้งหมดที่เหลือมาหมดแล้วก็ปิดเรือนพระบรมธาตุ เหมือนอย่างเดิมทำทุกอย่างเป็นปกติอย่างเก่าก็โปรดให้ประดิษฐ์สถานปาศานะเจดีไว้ข้างบนปาศานะเปล่าก้อนหินเนี่ยนะเป็นเจดีหินแบบใหญ่ๆเลยถ้าสังเกตดูนะใครไปที่ข้างข้างที่พุทธบาทที่สระบุรีเนี่เจดีข้างๆที่ในหลวงรัชกาลที่สี่สร้างเอาไว้นะตรงนั้นก็เป็นลักษณะเป็นเจดีหินเหมือนกันปาสานะเจดีเหมือนกัน ไว้ข้างบนแล้วก็บรรจุพระนะพัสสําหรับพระธาตุที่มาก็มาแบ่งไว้แปดหมื่นสี่พันิหารพระเจ้าอาโศกว่าให้พระมหาเถระก็ถามว่าท่านเจ้าข้าบัดนี้โยมได้เป็นทายาทคือผู้รับมรดกในพระศาสนาหรื อ, อยังพระมหาเถระก็คือคิดน่นะคือพระเถระเนี่ยคําตอบทุกคํามันมีผลคือเนื่องจากว่าไอ้คําตอบตรงนี้เนี่ยเป็นลักษณะว่าเห็นเววของ พระมหินเถระกับพระนางสังธมิตาเนี่ยสองท่านเนี่ยจะมีอุปการะคุณต่อศาสนามหาศาลเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะที่พระเจ้าโศกกะเปิดเอ่ยถามปากถามแบบนี้นะก็เลยถือโอกาสบอกโอ้ยพระ อ, องค์ยังเป็นคนนอกอยู่แล้วจะเป็นทายาทได้อย่างไรเล่าก็โยมเนี่ยเห็นไหโยมบริจาคทรัพย์ตั้งเกาสิบหกกูฏ สร้างวิหารไว้ตั้งแปดหมื่นสี่พันวิหารขนาดนี้ไม่เป็นทายาทแล้วใครมันจะเป็นทายาทกันนะนี่ในขนาดนี้ยังไม่ได้รับมรดกในศาสนาแล้วใครจะได้รับล่ะพระเถระทั้งหลายก็บอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรพระองค์นี้ชื่อว่าปัจจะยะทายกคนให้ปัจจัยแต่ว่าที่ถูกเนี่ยนะคนที่เป็นทายาท จ, จริงก็ต้องให้บวชบวุตรหรือธิดาของตนจึงจะได้ชื่อว่าเป็นทายาทในพระาศาสนาจริงก็จะสงเคราะห์พระมหินทเถระเนี่ยนะ เท้าเธอก็เลยให้บวชพระโอรสและพระธิดาพระมหินทัทธระก็เป็นคนที่นําพระพุทธศาสนาไปสู่เมืองลังกาซึ่งทุกวันนี้เขาก็เคารพพระมหินทัทระกับพระนางสังขมิตาเนี่ยมากเนยนะมีรูปปั้นรูปปั้นพระมหินทัทธระรูปปั้นของพระนางสังขมิตาเนี่ยจูบจนปัจจุบันนะครั้งนั้นพระธีระก็ทูลพระองค์ว่าบัดนี้มหาบพิตรเป็นทายาทในพระศาสนาแล้วเพราะอะไรเพราะ ให้อะให้พระโอรสพธิดาบวชแล้วเนี่ยนะมันก็รายละเอียดพระาศาสนาก็แพร่หลายกระจายเนี่ยนะแปดมื่นสี่พันแห่งที่ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะก็กระจายไปตามประเทศต่างๆตามสถานที่ต่างๆมนุษย์เทมนุษย์อัญเชิญไปบ้างเทวดาอัญเชิญไปบ้างที่ไหนมีผู้ที่ศรัทธาเลื่อมใสพระธาตุทั้งหลายก็ไปปฏิสฐานอยู่ตาม สถานที่เหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะซึ่งพระธาตุทั้งหลายก็มีประโยชน์เกื้อกูลต่อพวกเราจวบจนปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเกี่ยวกับธาตุอันตถาทานี่ก็คงรอพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวจะเอาเรื่องเกี่ยวกับธาตุอันตถาานมากล่าวให้ฟังอีกทีหนึ่งเพราะว่าตั้งใจไว้ว่าจะอธิบายจนถึงกับธาตุอันตถาานเลยนะตั้งแต่ปรารถนายมธาตุอันตถาานอะไรกันนะใช้เวลาติดกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่จบสักปีนะวันนี้แหละอาวาสานแน่